โอ้โกบคลวะพระตะนาใจคือประพฤติประธรรมประสงขอนามการคุณครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดพุทธศาสนาที่ให้เรามาดูทุกวันนี้คือหลวงปู่เทียนจิตตุโรต่อมาก็มีหลายๆองค์คงคที่ทำวันที่สุดคือหลวงพ่อํมเทียนแล้วก็ต่อมากับคุณครูฟ้าหลายๆองค์อยู่นะ ต้องพ่อเขาจำไม่ได้หมดลืมหมดแล้วแหละเท่าแก่มาแล้วก็ลงหน้าลงหลังข อ, อนามสกาัญหูบายจานันพาเทลานุเทะละหลวงพี่หลวงพ่ออ๋อเจริญพรเมฆีอุบาสกวาสิกาทุกๆ ท, ท, ท่านเอานั่งตามสบายหลวงพ่อเป็นคนแก่ แต่บวชนั้นก็จริงแต่ว่าบวชนั้นเท่าไรจะให้ลูกไปหน้านะั้นไม่ได้มีแต่ถอยลังและพือนไปคําพูดที่เก่าเกาเหลงลืมไปเรื่อยๆไปจ น, จนว่าอาจารย์ครับหลวงพ่อท่านบอกว่ามันนี่เราเป็นผู้กเกษียณด้วยนะไม่ต้องพูดอีกต่อไปหลวงพ่อก็เสียบหยุดกลับพ่อเขียนพูดท่านก็ว่าต่อได้แต่นั้นมาก็ไม่ค่อยได้พูดถ้ามาผมก็ไม่พูด ่บอกให้ที่บวดฟุงก็ไม่ฟูดอ้โหลงๆดื่มๆไปเรื่อยๆไปผิดพลาดประการใดก็ขออนุญาตโดดให้อภัยให้ด้วยเพราะว่าเท่าแก่มาแล้วหลงหน้าลงหลังบวชมานานก็จริงแต่ว่าน้ำเกิดมาเนี่ยน้ำไ่น้ำมือปูน้ำหน่อยน้ำมือแหลมาดันพันวา ภาษาบ้านพังฟอเกิดมา น, นานแต่แล้วก็ปู่มันไปแสดงไม่แหลหแมเหมือนนะเหมือนเมื่อนสิ่งที่เกิดใหม่ๆอย่าให้มันดีเหมือนคนที่เราเคยเลีนเรียนนังสือมาแล้วก็ไม่ไม่ได้เพราะว่าเหรียญอะไรก็ไม่ได้ไดเหรียญมีเนหนรียญแบบแะพฝึกปฏิบัติอย่างเดียวหลวงพ่อนนเป็นคนเป็นพวกคนฝึกนาะ เยอะเกินตั้งแต่ก่อนทำไมหลวงปู่เทียนมาไม่ค่อยดูจากอะไรหรอกธรรมะธรรมนนี้ก็ไม่ค่อยได้เรียนกับเขาแล้วก็เป็นตั้งแต่คนป่าคนเถื่อนเป็นออกจากไรจากนามาแล้วก็มาเข้ามาประพฤติปฏิบัติที่แรกว่าจะมาบวชภาษาเดียวพอได้พักแรงด้วยมันทำงานมากมันก็จะตายมันเจ็บมันปวดหายใจไม่ออก ก็เลยบอกขอโยมใบ้านมาบวชมาบวชแล้วก็ไปเข้าจามตาอยู่ที่วังตะเค่บนวังตะเค่ผีก็ไลหลายผีพว่าผีตีนเดียวเขามันมาหลอกมันมาทำให้ได้ยินได้ฟังมันมาหลอกให้เรากลัวมั น, นหลายคนอยู่อยู่ด้วยกัน1ิบเอดองค์ ไปอยู่ที่นั่นแ ต, ก ต, กต่ต่โกนเป็นราะวะ่าวัดไม่มีพระพอหลวงพอมาบวชแล้วก็เจ้าคณะอำเภอก็ให้ไปจํารรษาที่นั่นอพเอเห็นไปอยู่อยู่หลโกนนี้นก็ไปหาพระนี้นก็ไปหามีอยู่ติวิตรูปด้วยกันก็พากันทําอยู่ที่นั่นอนะ่ะพรรษาหนึ่งออกมาก็าจะมาตึกพอออกพรรษาแล้วก็ลูกเต้าเขาก็เอารถเอาเละเนี่ยไปรับมาจากภูเขาด้วยนั้นก็มาอยู่ที่วัด ป่าเขาองบ้านเขาคงคาอสวรรค์คงคาที่บันบางเทมายุทกวันนี้จะอำเภอเจดลัด ก, ก็ว่าจะมาสึกไปกศึกราคกคาบหลวงปู่ต้องต้องจา ก, กนนะัดจังหวัดทัางบอกว่าให้ไปเข้าจำปฏิวัติกรรมก่อนัน่งบาปปั้มกรรมก่อนอค่อยศึกหลวงพ่อแล้วก็ฟังคำท่าน ก็ไปปฏิพฤติปฏิบัติก็ไม่อยากจะทำน้อแต่ก่อนเคยไปทำทำน้อยอยู่ที่วัดวังตะเคียาทนี้เชนานนี่แหละก็มาบัจมาศึกก็ไปลาหลวงพอ่อหลวงพอ่ อ, งพอบอกให้ไปอยูกใก่ใกล้ๆกันคนละทุง่งฝ า, ากทุ่งนาวัดบ้านบ้านที่เขาเปิดสรมนนะั้ ก็ไปไปแล้วก็เห็นมายกมือนี่แหละ เ, เคยทำทำหอมันแล้วก็เคยไปยกมือโอ้ยไม่ไม่อยากทำํำเลยโอ้ทํามาอะไรเป็นแบบนี้นาะวะไม่เคยมันจะเป็นได้ธรรมะที่ได้อย่างง่ายมายกมืออยู่อย่างเนี้ก็ถ้าไม่ทําก็ก็กอายเขาเขาทาไปแต่ยกมือน้องพอ่อน้อง้บในเรียนแะดู ดูฝักพระโอ้ดูฝกโยมเขาทำระกอุบาจารทร์ทำแล้วก็จำแล้วก็ไปเข้าไปอยู่ในมุ่งในมุ่งแล้วก็ไปเดินเออไปนั่งสร้างจังหวะคนเดียวไม่มีคนก็ไม่เลยเห็นหรอกถ้าออกมานี้ก็ไม่อายเท่าไหร่เพราะว่าเดินเดินตั้งแต่ก่อนก็เดินเดินจะชาขัวท่ายขัวท่ายแต่ว่าพอมา เดินเข้าแบบนี้ก็ต้องเดินไปเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาท่านบอกว่าให้มาดูรู้ความรู้สึกผมรู้สึกก็ไม่รู้ความรู้สึกไม่รู้ว่มันเป็นไงไม่รู้จักแต่ว่าเดินเป็นเฉยๆเดินได้เฉยๆเดินไปก็เห็นเขาเดินก็เดินไปเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาคิดไปร้อยแปดพันประการใจมันไม่ค่อยอยู่ที่เดิมแต่นั่งนี่นั่งสมาธิ ทำหนอนี้ก็ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอก็ดูลมหายใจตัวเองเวลาหานใจเข้าเราก็รู้จักหายใจออกเราก็รู้จักคอยตัวไปอย่างนั้นจิตใจมันก็นิ่งมันไม่ไปใส่เตไปทางไหนตัวใดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ค่อยเข้าใจอก็ดูง่พอ แต่ว่าเข้าใจบ้างเล็กน้อยคือมันไม่คิดเดินอยู่นั่งอยู่เนี่ยมันสบายสบายหายใจก็โปรดป่วงลงสบายมันก็ไม่คิดท่ออะไรเห็นหายใจออกก็รู้จักหายใจเข้ารูออกร้ก็รู้จักยุบพองก็รู้จักลูหายใจดูตัวเองไปเล่นไปไมันก็สบายสบายไปบางทีมันก็คิด พิษมันก็มันมันก็ไม่ค่อยมันก็ไปตามความคิดนั่นแหล ะ, ะบางทีก็มันก็สบายใจบางทีมันก็เบากายเบาใจนั่งอยู่มันก็ลอยไปก็มีมันปรากฏขึ้นมาเนื่อว่าตัวเองสบายว่าเข้าใจธรรมะบางทีก็มันก็ เหมือนเหมือนเลอยไปทําอากาศไปนั่นแหละขึ้นไปสูงนึกว่ามันจะตกลงมากว่าจะเจ็บกว่าจะตายก็ลืนตาขึ้นก็มันก็นั่งอยู่เหมือนเดิมอมันก็เป็นนั่นแหพอนั่งไปนั่งมามันก็เข้าไปอยู่ในความสงบมันก็สบายสบายมันก็ไม่คิดเอาไปเอามาเนี่ยมันก็เลยไปติดอยู่กับความสงบนั้นเวลาเข้าไป ความสงบ น, นัมันเข้าไปในาวางังมันก็เข้าไปไม่มีความคิดเลยมีแต่ความเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจนั่งอยู่ก็เลี้วไปก็เห็นทางไปตะวันไปนิพพานสารพัดแต่เรามันมันจะคิดเอานี่แหละมันก็ไม่เข้าใจเ <c oughs> <c oughs> พราะว่นนจงกรมนี่แบบนี้ก็เอาไปเอามาก็ ครูบาอาจาร ي, ย์ตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อไม่เคยรู้จักอะไรหรอกตั้งแต่นโมนี้ก็ว่าตรวจอิติปิทุตวขาทุตุปปัตปา น, นุที่ก็ไม่รู้จักปฏิสังขโยนี้ก็รู้จักจะเป็นนิดน้อยก็ไม่รู้จักพอมาเข้าประพฤติปฏิบัตินี่ก็ได้สวดมนเฑีย์ตรวจมนเฑีย์นี่หลวงพ่ อ, พอน้าตาซึมไหลเลยอตรวจมณ ตว่ากะตูปสติปันโนตวากะตูอิติปโสก็มีแต่ความแปรไหม่หมดโอเข้าใจโอตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักนโมนี้ก็รู้จักเข้าใจโอความอ่อนน้อมของตัวเลยตัวนโมมันเป็นอย่างนี้ก่รู้จักเขาเข้าใจไปบ้างตั้งแต่ก่อนว่าตามตามกันไปเฉยๆตวดมนตรวจพรในทุกอย่างไปตรวจมนลไปก็ว่ากันตามกันไปว่าตัวได้แล้วก็ว่าว่าจริง แต่ความหมายมันไม่ไ ม, ไม่รู้จักไม่รู้ว่ามันแปลมันหมายความว่าอะไรพอมาเข้าใจเนี่ยโ อ, อ, อ้หลวงปู่ท่านสอนท่อนว่าให้ฟังเรื่องการประพฤติเป็นบาเนี่เราเป็นคนหลงมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่เกิดมา เ, เกิดมาแล้ววันนี้เราจะมาหาตัวเองมาตัวเองก็ใช่า คนเนี่ยมันมีหลายอย่างคนเนี่ยเหมือนเราควรข้านมนั่นแหละไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่ควรลงไปอันเดียวกันมันมันเหมือนมันเหมือนกันนั่นแหละควรกันเขาเรียกว่าควรคนนี่มันมีหลายอย่างหน้าตาเป็นคนนจิตใจมันเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์ดจัดหลัานก็ได้เป็นเปตก็ได้เป็นอสุ ร, รกายก็ได้ เอติ่งเร้เนี่ยเขาเอาเรื่องเรื่องคนของคนนี้ไปพูดให้ฟังอะ่ะความชั่วของเราหน้าตาเคนแต่จิตใจมันเป็นแล้วก็โอ้คิดเห็นมาโอ้เรานี่มันเป็นหมดมันเป็นเปรตเป็นอะไรมันก็เป็นอยู่กับคนนี้ด้วยเนี่ยเป็นแต่ในโลกก็เป็นอยู่กับคนเนี่ยเราปรทําขึ้นเองทั้งนั้นมันไม่มีใครมาตร้ตางทำให้เราหรอกเราไม่รู้จักเราทําการทํางานเนี่ยแล้วก็ไปทําอันนั้นมันก็เกิดเป็น อยู่วกับจิตกับใจของเรามันไปนติดละสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นนั่นน่ะมันไปนติดขึ้นมาอยากเป็นอยากได้อยากอยากมีของเขามาเป็นของตัวเองแล้วก็อยากชนะคนอยากดีกว่คนอยากดังอยากเลิศกว่าคนสารพัดตั้งมีสารพันคว่ำฮิลิคนไม่ใจใจอะไรเขามันก็ไม่มีโอ้มันเกิดจากสิ่งเหล่านี้เด้นี่ก็พูดไปเห็นท่านก็พูดไปนั่นแหะให้มาหากายหาใจให้มันเห็น ก่อนจะมาดูเนี่ยเราไม่รู้จักตัวเองเป็นคนหลงตนลืมตัวหล ง, ลงกลายลืมใจให้มาให้มันหาให้มันเห็นหาตัวเองอะกายของเรานี่ก็อันหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเอิ่นว่ารูปเขาเรียกว่ารูปนามนั่นก็เป็นหนึ่งเขาเรียกว่าใจกายใจนี่มันเป็นภาตาของเราวางพวกปืนเบิดบ้านเราแต่ตนรูปนามเนี่ยเป็นภาตาของธรรมะ ก็ท่านพูดในฟังก็ค่อยเข้าใจไปเข้าใจไปเนี่ก็มาดูตัวเองเนี่ยอดูตัวเองก็ดูอย่างนี้น่ะก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่เดินไปนี่ก็นึกว่าเรารูบลูบจากเรีวรูปเน่ยรูปนามเนี่ยกายใจเนี่ยใครไม่รู้จักรูปจังนามมันก็บ้ า, บาทเท่าน่ะแต่ว่าทั้งนั้นคิดอยู่ในใจเนี่ยพอมาดูแล้วโอ้กายของเรานี่ มันคือมีตัวมีตนมองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือส่วนน้ำเนี่ยน้ำนี่ก็ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ความรู้สึกการเคลื่อนไหวทุกอย่างที่มันเคลื่อนไหวมันที่มันรู้สึกที่ก็เป็นรูปเพียงเป็นผาตาของน้าแล้วก็มาสังเกตมาสังเกตอาการสิ่งที่มันเกิดวัตถุหรืออาการที่มันเกิดคือเราเนี่ย เราไม่ค่อยไม่เข้าใจเราก็พอมารู้จักคําสอนครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังแล้วก็มาดูตัวเองก็รู้จักโอ้สิ่งนี้มันเป็นรูปสิ่งนี้มันเป็นนามแล้วก็รู้จักว่าเก็บหัวปวดท้องนี่ว่าเป็นรูปโรคนี่มันเปียกมันป่วยก็ต้องาหาหมอเนี่ยหมอว่าสิ่งนี้ต้องตัดหรือตัวนี้ต้องผ่าก็ต้องจําต้องต้องเชื่อหมอเขา ทิ้งนี้ตัดก็ตายไม่ตัดก็ตายอย่างนี้ก็ต้องเคี่ยมหมอนเขาโอ้วันนี้ทางกายถ้าทางใจก็มีแต่คิดคิดดีคิดชั่วคิดอิจฉาคิดไม่หวั่นคิดย่องล่างจองผ่านกันไปคิดอยากได้อย่างนั้นอยาน่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยาน่างนี้คิดอยากไปมันเป็นอย่างนั้นโอ้นามมันเป็นอย่างนี้ได้เออมันชั่วมาทุกอย่างก็ทำเนี่มันฝาเป็น จิตใจของเราเนไม่ค่อยอยู่กับตัวเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสมาคีกันเพราะว่ามันมันอิจฉามันพยาบาทมันไม่ค่อยมันใส่ร้ายป่ายตีกันกายกับใจของเราเนี่ยถ้ากายมันมันไม่ดีย่งใดใจมากก็ว่าว่ากายนี่ยมันไม่ดีอ่าเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็ว่ากายนั้นพาทุกข์ ยังไปตําต่อทําไมเนี่ยมันก็ว่ากายเนี่ยไปตําทําไมโอ้คิดดูแล้วก็มาสงสารกายวะเนี่ยความชั่วทุกอย่างกายใจใจมันพามันพาทุกมันมันพาทุกหมดเลยมัน ข, ขมเห็งมันไม่มีความธมะมัคีเอาแต่เขาจะใช้กายของเราเนี่ยเป็นเป็นบ่าวเขาส่วนใจนั่นเป็นนายเราเป็นนาย ตัวแล้วจะเขาอยจะไปกินไปเล่นไปที่ไหนไปทําอะไรพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นก็เข้าใจโอ้รูปนี่มันเป็นอย่างนี้เด้มันทุกออย่างเล่าย่างบุรียางสิ่งที่เจ็บติดทุกอย่างที่เราไม่อยากปรารถนาไม่อยากกินไม่อยากเล่นมันก็ไปบังคับให้มันกินมันเล่นไปจนติดกลายเป็นเสียผู้เสียคนไป เอาโรคเอาอะไรมาใส่เป็นอะไรก็มีหลายๆอย่างอยู่ก็เพราะว่าอะไรก็ใจนั้นแาละพาเป็นอยากรักอยากชังอยากอิจฉาอยากพยาบาทอยากฆ่าเห็นค า, าลาวีกันทําความทุกข์ให้ตัวเองให้ประเทศชาติบ้าน เ, เมืองเมืองเดือดร้อนก็เพราะใจก็คิดเห็นโรคทางกายไม่ก็อย่างหนึ่งทุกทางใจก็อย่างหนึ่งถ้าเรารู้จักแล้วโรคทางกายก็ มันเป็นโรคของกายแต่ใจก็ให้มันดีไว้ถ้าใจของเราไม่เป็นอะไรจะไปเป็นผู้เป็นกับเขาถ้าใจมันเป็นกายก็อย่ามันทุกถ้ากายทุกใจก็อย่ามันทุกใหม้มีที่พักที่อาศัยที่พึ่งอตั้งแต่ก่อนมันเป็นทุกอย่างถ้ากายทุกใจก็ทุกด้วยถ้าใจทุกกายก็ทุกถ้ากายทุกใจก็ทุก มันเป็นอันเดียวกันไปหมดเลยวันนี้พอมาหลวงปู่ท่านมาสอนมาสอนเนี่ยเราก็ไม่เครียดแล้วมันเนี่ยไม่เครียดกายมันจะเป็นยังไงก็ไม่เครียแล้วเรามาฝึกมหาดเนี่ยเราจะไปเครียกกายเออาจะไปเครียใจของเราแต่ใจกายของเรานี่เขาตุลแล้วเขาจะพาไปมันไปตามยถากรรมของมันมันโง่จิตใจก็เป็นนาย ทุกท้าแต่เขาจะใช่ไปที่ไหนกลางคํากลางคืนฝนตกแดดออกก็ตามฝึกดื่นทั้งคืนก็ตามเขาจะไปที่ไหนก็ต่อไปเขาอยากไปกินไปเล่นไปที่ไหนก็พาเข้าไปมันก็ไปตามยาถากรรมของมันมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมานี่ก็ต้องมาฝึกไม่ใช่ว่าเรามาเรียนเหมือนไปเรียนหนังสือ ให้เรามาดูตัวเองดูอาการวัตถุหรืออาการถึงที่มันเกิดขึ้นกายของเราเป็นทํากายกับกจของเราเนี่มันมันทํางานมันไปมันเคลื่อนไหวตัวหนึ่งเคลื่อนไหวตัวหนึ่งไปเป็นสิ่งที่รู้มันจิตไปดูด้วยกันเนี่ยถ้ามันออกไปเนี่ยเราพยายามให้มันเอามาให้ต้องการให้ใจกับใายกับใจนี่มันตะมัคคีกันให้รู้จัก ตั้งแต่ก่อนมันไม่เคยอยู่ด้วยกันพาทําการทํา ง, งานเนี่ยมันก็ไปทางอื่นเรื่อยๆไปจิตใจอะ่ะมันอยากได้อยากกินอยากเล่นตัวแล้วแต่มันจะพาไปแต่ใจทํา ง, งานอยู่ตลอดวันมันก็ไม่ดูแลยมันไม่ค่อยมาดูดตัวเองไปดูแต่คนอื่นแล้คนนั้นมาทําันแล้วทุกข์คนนี้มาทําันแล้วทุกข์ไปสรไปดูแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่เค่อยดูดูตัวเอง แต่ที่จริงไม่มีอะไรจะมาทำแมให้ลุกให้เราลูกทุกเลยเราเกิดมาเนี่ยทุกอย่างเรามาสร้างเองทั้งนั้นไม่มีอะไรจะมาสร้างให้เรามีแต่กายกับใจอย่างนั้นแหละความทุกข์ความทุกข์เราเกิดมาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเองความดีความชั่วเราสร้างขึ้นมาเองนรกสวรรค์เราสร้างขึ้นมาเองนิพพานเราก็สร้างเองถ้าคนไหนมีความเฉลียวฉลาด ก็รู้จากทางไปถ้าม่มีแต่ความง่วงไม่มาดูตัวเองมันก็เป็นไปทางที่ชั่วเรื่อยๆไปเพราะว่ามีความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าของหัวใจมันมาตั้งอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเป็นใหญ่ส่วนชีวิตจิตใจของเราเนี่ตกเป็นถาดของเขาเขาเป็นถาดหมดเลยจนเขาจังมิชํานานนั่นแหละ ตั้งแต่พ่อแต่แม่เราพาเกิดมาเนี้ยก็พากันเป็นทาตของกิเลสตัณหาตุวน้แต่เขาจะพากินพาเล่นพาไปตกเป็นทาตเขาอยากพาโกรธก็โกรธเขาพาดีใจก็พาก็ดีใจเขาหัวเราะก็หัวเราะด้วยเขาเขาลองให้เขาลองให้ด้วยเขาตัวนี้แต่เขาจะพาไปบัดนี้เรามาคั้เนี่ยเราเขาให้เข้าใจเราจะไปเชื่อมหัดมาฝึกครูบาอาจารย์เนี่ยสอนเอาให้เราเ ก, กิดถูก พุทธศาตนาเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องอื่นสอนเรื่องชีวิตจิตใจของเราให้เราพยายามตั้งอกตั้งใจทำของใครเขามันไม่มีใครจะทำช่วยคู่บาจรายก็บอกเป็นผู้บอกผู้ตอ น, นเฉยส่วนจะรู้นะั่นก็เรารู้เองเห็นเอง เพราะสิ่งที่จะเป็นพุทธะเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่ใช่อยู่คนอื่นอยู่กับเราคนเดียวของไขรของมันใครรู้ใครใครมาทําใครก็รู้ใครไม่มาทําก็ไม่มารู้เราอยจะเกิดขึ้นมาเฉยๆพื่อตาตถนอมหนาไม่ได้ตอนตอนเรื่องอื่นตอนเรื่องชีวิตของใจของชีวิตกับใจของเราเนี่ยให้มันสมาตมาสมาคีกันแล้วก็ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันโกรธก็ไม่ต้องไปโกรธ มันอยากไปตีตนินทาคนอื่นไม่ต้องไปติีตนินทาเขาให้มาดูตัวเองเนี่ยเราทําขึ้นเองไม่มีคนมาทําให้เรื่องของคนเรื่องของใครเรื่องของมันเนี่ยใครทําถูกใครทําผิดใหเราทําแล้วก็เราดูเขาถ้ามันผิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาบางอย่างเขาถ้าเราบอกเขาไม่เอาแล้วก็ตุเห ล, ล่าแต่เขาทิงมันผิด ทิ้งนั้นนั่นผิดมันไม่ดีนะมันผิดแล้วอย่างนั้นนี่บางคนก็บอกดีๆมันก็โกรธให้ถ้าเราไม่บอกมันก็จะทําชั่วๆไปเรื่อยๆไ ป, ๆไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปถ้าบอกไม่เอาทหลายครั้งหลายคนเราก็ปล่อยไปแต่เรานะ่ยพยายามมาแจ้แก้ตัวเองอืคนอื่นเขาผิด ยังไงเราก็พิจารณาเขาบอกเขาด่าเขาด่าว่าดูถูกนินทาเราเราให้คิดให้ดีไม่ใช่เขานั่นแหละบางคนเขาเจตนาเราก็มีเจตนาดีก็มีแต่บอกไม่เอาอ่ะอย่างพ่อแม่ของเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นแหละท่านว่าว่าเราบอกบอกลูกสอนลูกเนี่ยบางทีมันตอบมาได้ท่านก็ด่าว่าว่าโดยเจตนาในทางที่ดีอยากจะให้ลูกนั่นแนหะ ทำคุณงามความดีแต่มันไม่ทําไม่ฟั ง, ม, ฟงมันเป็นคนดุร้ายมันก็ฝืนพ่อฝืนแม่ไปมันก็ตกทุกข์และยากเรื่อยไปถ้าบอกไม่ฟังมันก็จําเป็นเดี๋ยวความตมาดแล้วก็หมดหนทางเราก็ไม่ต้องไปนั่นแหละสุดท้วมันจับเจียเป็นไปยังไงแต่ว่าทำก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยให้มันดีไว้ ก็ธรรมดาพ่อแม่กับลูกกันเนี่ยถึงจะชั่วเท่าไรก็ยังเป็นห่วงอยู่เป็นห่วงก็จําเป็นมันจําเป็นแล้วก็ปล่อยมันไปทำยัถากรรมมันบอกสอนแล้ไม่ได้ให้เราพยายามมาทําความดีให้เราเนี่ยให้มันได้อย่าไปทําความชั่วให้ลูกให้เต้าเราเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็อุตส่าห์พยายาม เอาถึงที่ดีๆมาให้มันอย่าไปเอาความชข้อให้มันบางค น, คนก็เลี้ยงลูกก็ไม่เป็นลูกมันก็เป็นอย่างพ่ออย่างแม่นั่นแหละลูกข่อก็ไม่รู้จักสอนลูกเป็นนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเด็กมันก็ธรรมดาของเด็กนั่นแหละเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่ไ เ, เหมือนพวกเราทําเองหรอกมันไม่ทําเราก็ทําสิ่งไหนก็ตาม อยู่ในบ้านในครอบครัวเรียนของเรานะเป็นหน้าที่ของเราเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆไปลูกนั่นน่ะมันไปบางทีมันก็คิดตรงฐานพ่อตรงฐานแม่เหมือนกันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมามันก็ค่อยดีไปก็มีนี่ยแก้ตัวของเราเล่นๆไปทําให้ลูกเห็นคนอื่นก็เหมือนกั น, นเขาชั่วเราอย่าไปชั่วเขาเขาทำดีไว้อย่างธรรมะธรรมะเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ย ไม่มีคนเขามายินดีกับเราเท่าไรนะพูดได้แต่พวกเราอยู่ด้วยกันนี่แหละพวกอื่นเขาไม่ได้มาปฏิบัติเราไปพูดเรื่องธรรมะไม่ได้เขาไม่เครียดเลยแหละไม่เคยมีหรอกคนจะออกจากทุกข์ได้ไม่มีจะวาหนหลวพ่อจะไปพูดเลยเขาบอกเขาบอกเลยเขาบอกกับขี้หูขี้ตาเราเนี่ยขี้หน้าขี้ตาเราอนี่ก็ในขั้งอยู่เห็นเขาพูดอย่างนั้นเราก็หยุดเลยไม่ต้องไปพูดคนไงั้นไม่ต้องมาสอนอีกเนี่ย ก็จะนั้นถ้าคนไม่มาประพฤติปฏิบัติแล้เนี่ยเราจะด่วนไปพูดเรื่องธรรมะไปออกไปบ้านไปอะไรเนี่ยเราก็พูดไปตามประทางเขานั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่าไปไปพูดเป็นกับเขาเขาอยู่เขาก็อยู่ด้วยกันกับเขาะแต่ว่าเราอย่าไปเป็นกับเขาเขาพูดก็อย่าไปขีนคอเขาแต่เราอย่าไปเคี่ยวเราอย่าไปทําตามเราก็ทําตามไปตั้งแต่ติ่งเจียวท้อทําได้แหละ เาอยู่กับสังคมก็ให้มันเป็นอันเดียวกันกเขาไปแต่ว่าออกบ้าจแตเขามาเล่าเราก็ไม่ต้องไปเป็นอย่างเขาถ้าเราไปเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นธรรมะเนี่ยเรามีธรรมะเราต้องรักษาตัวให้เป็นปนคนไหนที่มันอย่างเรานี่ก็น้อย คือมานี้ก็ติดไปพูดแบบธรรมะแล้านี่โอ้โหม่บอกพูดไม่ได้หรอกอย่างที่เขาพูดเวานเนี่ยเรื่องการเมืองกลางอหละการอะไรเนีมีคนมาพูดพูดเอาแต่ความจริงมาพูดเนี่ยเขาไม่เชื่ออเขาเขาว่าจะเอาความไม่จริงนะเขาเขาพากันเที่ยวความความไม่จริงพอพราะมันมันโกหกรอดแลดีพวกที่ความคนจริงเนี่ยเอาความจริงพูดให้ฟัง คมจริงเนี่ยบังเกตนาอยากให้คนดีแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วนั่นน่ะคนที่มันไม่ดีนั่นน่ะมันไม่ถูกใจเขาเดี๋ยวเขาก็พยายามปลุกปั่นไปเรื่อยๆไปมันนี่เขาทํำไงแล้วมันก็ไม่ตกลงกันเขาก็เลยพูดกันว่า อ, อันความดีกับความชั่วเนี่ยจะเอาอะไรถ้าเรามาอยู่ด้วยกันหลายๆคนเนี่ย ถ้าเราจะทําอย่างนี้ไปอ่ะบ้านเมืองนี่นับแต่จะถลา ย, ยชุดนี่งวดนี่อ่ะความตายกับความเป็นเนี่ยจะออะไรอ่ถ้าความตายความความตายเนี่ยมันก็หมดไปมันก็เดือดร้อนไปหมดคนไปคนตายนี่มีความตมะมัคคีกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวปองดองกันไปไหนปะพูดด้วยกันอะไรถูกต้องกันไปไหนเป็นอันเดียวกัน เนี่ยเหมือนคนพูดคนเดียวกันอยู่ด้วยกันหลายหลายคนเนี่ยเป็นจิตใจเดียวกันเดียวกันเดียวกันอยู่ด้วหลายคนเนี่ยคนที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างไปอาศัยพึ่งกันก็ไม่ได้แดกสามะคีกึมได้เรื่อยไปเราจะเอาอะไรงวดนี้มันเป็นอย่างนั้นนะยุคนี่ยครับเขาบอกว่าแับ น, นั้นเป็นแน่นอนถ้าไม่เอาอย่างนั้นน่ก็ ยังไม่ลงรอยกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็มีน้อยคนตั้งแต่พวกที่เขาเขาอยากได้ไปทางนั้นเนี่ยเขามีน้อยคนเขาไม่มากแต่นอกนั้นมีตั้งแต่ไปทางเดียวกันพวกเรานี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราโูกใจเข้าใจสมาธิใจของเรานั่ย น, นะมันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนคนคนเดียวกันเนี่ยความสมัครคีเนี่ย ถ้าไม่มีธรรมะนี่มันไปไม่รอดหรอกประเทศชาติพันเมืองเราก็เดือดร้อนมาตั้งหลายหลายสิปีแล้วไม่ก็จะเป็นงั้นพวกเรานี่ก็พยายามให้เขามาหาพุทธศาสนาคือมาดูจิตดูใจมาดูตัวเองอะไรเกิดขึ้นมามาเกิดเฉื่อเราก่อขึ้นเองคนอื่นเขาทำก็เรื่องของเขาดูแก้ใจเราเองอย่าไปเอาถือมณทิตถือเนื้อถือตัวอะไรเลย ทำบุญเทวิธานเนี่ยมัน ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำยากหรอกทําไม่ง่ายคือเราไม่ต้องไปเถียงกันไม่ต้องไปด่าไปว่ากันอะไรก็โอโห้เสีกันไปเรื่อยๆไปเขาด่าว่าก็ให้เขาด่าว่าไปตะมีแต่ความที่สมมติขึ้นมาพูดกันทั้งนั้นเนี่ยไม่เป็นของจริงตักอย่างเดีย ว, เ, ยวเลยอันคําพูดคาด่าว่ากันเนี่ยไม่มีอะไรจะไป มันเป็นอย่างที่เราว่าเราพูดด่ากันออกคล่มช่วงคนนี้มีแต่คนที่ว่าเนีมันชั่วเองอมาแจ้ตัวเองพูดมันก็ออกจากปากของเราอย่างเดียวถ้าเราอดทนะ่ะเห็นกี้เห็นจิตใจละคนอื่นอะ่ะถ้าเราไปด่าวดูถูกคนอื่นอย่างที่เขาเราไปดูถูกเขาเนี่ยเขาจะเคียดไหมแต่ว่าเขาว่าเราม า, าแล้วเราก็นเนี่ยโกรธ เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันนะ่ะใจเขากับใจเราไม่เหมือนกันเออถ้าเรามาฝึกมาหานแล้วมันก็จะรู้จากมาดูตัวเองตั้งแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนเขาเนี่ยแหละที่เห็นความเชื่อของตัวเองนะั่นอ่ะไม่ไม่น่าดูเลยพอมาเห็นมองมาประพปฏิบัติเห็นแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกคำสอนถ้าท่านพาปริบฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะจะรู้สึกสบายกายสบายใจไม่มีกูดไม่มีเครียดไม่ม หลงอะไรอะ่ะพอหลงก็เอามากลับขึ้นมาพอหลงไปก็กลับขึ้นมาให้มันถูกมันก็ค่อยหายไปหายไปจนถือว่าเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติมันเป็นอยู่นี้ไม่ใช่ตัวไม่มีตนไม่เที่ยงมีของนี่ไม่เที่ยงแต่เราอย่าไปนะั่นอ่ะโอ้โหเสีหยหายให้กันซึ่งกันและกันไปเราก็ไม่ต้องไปพูดน่ยฟังเฉยเฉยนิมนตบายใจนี่ไม่ได้ก่อ เรื่องก่อเราอะไรให้กันต่อไปคนอื่นเขาไม่ได้เจ็บเก็บใจคนที่ว่าเรานั่นเขาก็อเราไม่ตอบเขามันก็หายไปเองเนี่ยของที่นั่นแหละมันก็สินธรรมะทีปัญญาแล้วมันก็เกิดขึ้นอยู่ให้เราเห็นอยู่แน่แต่เราไม่ไม่ค่อยเห็นมันมืดมืนมันบอดไปหมดมันบังไปหมดเราก็ไม่เห็นเนี่ยวัตถุหรืออาการมันเกิดขึ้นมาเราไม่เข้าเข้าไปดูกินดูใจตัวเองคือไม่ดูอาการทิ่มถึงที่มันเกิดนั่นแหละมันเป็นทุกข์ มันถูกหรือมันผิดเราก็ไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นพวกเรามานี่รู้ตัวนี่แหละบุญบุญคืออะไรคือความสบายใจเนีย่ยดูง่ายมาเนี่ยทุกข์คืออะไรคือความ พ, พูดไม่ถูกกันมันออกจากที่ไหนนะคัจากความคิดจากปากของเรานี่แหละให้เรามาแก้ตัว ให้มันถูกต้องกันอะไรมันมี ม, ม, มีตัวมีต้นไป็ของที่มีเที่ยงเป็นของที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์มาอยู่ในโลกเนี่ยเรามาพื้นปฏิบัติเนี่ยเรารูจา้จักรู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรทุกอย่างให้เรารู้จักรู้จักสมมุติรู้จักปรมัตดบัญญตัติให้รู้จักของที่ผิดของที่ถูกมันอยู่ด้วยกันให้เรามาดู อาการมันผิดเป็นยังไงอาการถูกเป็นไงอาการโกรธเป็นเป็นยังไงอาจารย์อาการดีใจเป็นไงให้เราเห็นอาการสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราเ น, นี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ า, าตอนเรปรำมัดปรำมัดคือของกิงของกิงนี่คือของไม่โกรธของที่เป็นสมุดขึ้นมาคือคือโกรธมันสมุดขึ้นมาแล้วก็ไปโกรธขึ้นมีแต่สมุดบัญญัติสมุดบัญญั ต, ติปรำมัดบัญญัติ คือของจริงมันอยู่กับเราทั้งหมดนั่นแหละให้หาให้เห็นยกมือขึ้นลู้เฉยๆมาระพฤติปฏิบัติเนี่ยให้รู้เฉยๆไม่ให้เอาสักอย่างเดียวดีก็ไม่เอาชั่วไม่เอาให้เห็นให้รู้เอาวางไว้เฉยๆให้มันเหนือเหนือกล่าทุกอย่างเหนือเดี๋ยวกล่าทุกอย่างคืออะไรคือเห็นละเฉยดลู่เฉยไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไร ไม่มีโรกไม่มีโกรธไม่มีหลงให้เราพยายามดูมันอยู่กับเราไม่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนถ้าเรามาฝึกมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจเองเอาพูดนี้ก็สงควรเจวลาก็ยติแต่เพียงกรนีขอให้ทุกท่านทุกคนจงประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นแท้พุทธตั ต, ะ ต, ะตะนา คือความสว่างความสะอาดความสงบความบริสุทธิ์ความสดใสความว่องไวให้มีแก่เราบรยแวนกล้ี่ทุกท่กทานทุกคนเทิน